ทรงบัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุนั้นว่าภิกษุทราบว่าเธอนั่งอย่างแรงบนเตียงมีเท้าเสียบบนกุดีชั้นลอยในวิหารของสงจริงหรือภิกษุนั้นทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าาพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตําหนิว่าโมฆะบุรุษฉนัยเธอจึงนั่งอย่างแรงบนเตียงมีเท้าเสียบบนกุดีชั้นลอยในวิหารของสงเล่าโมฆะบุรุษ